เราก็เรียกง่ายๆว่ากัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดีก็ได้นะปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิกการอาจจะจํายากนะมันก็แปลง่ายๆว่ารู้จักคิดนั่นเองเอาคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีสติปัญญาในทางธรรมมีสัมมาทิฐิได้ก็เพราะต้องอาศัยสองอย่างนี้แหละกัลยาณมิตรความสําคัญของกัลยาณมิตร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 รู้ว่ามีครูบาจารย์ที่ไหนก็ดันต้นไปหาท่านครูบาจารย์นี้ก็ถือวเป็นกเรียะนนมิตรนะ <c oughs> พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นกเ ร, นะรียนนมิตรนะหรือว่าเป็นปรมกภิระยะนามิตรเลยก็คือว่าเป็นกเรียะนนมิตรที่ประเสริฐมาก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 ส่วนใครที่ไม่ใช่กิริยนมิตรนะเรีกวเป็นปาปะมิตรนะปาปะมิตรคือปาปะคือบาปนั่นเองนะคือมิตรที่นำไปสู่ทางที่ชั่วร้ายเนี่ยก็พยายามห่างซะแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะหากิริยนมิตรได้ผู้เจ้าก็แนะนาว่าอยู่คนเดียวก็ยังดีกว่านะดีกว่าไปคบเพื่อนชั่วนะ พอเพื่อนช่วยแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมนะความวิบัติแต่จริงๆแล้วคนเราถ้ารู้จักคิดนะมันก็ไม่ขาดนะไกลนมินะ่ยอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าไกลนมิตบางทีก็ไม่ใช่คนนะอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้คนที่เขารู้จักคิดเนี่ยเขาก็จะได้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 ครั้งเดียวแล้วก็ดอกไม้ที่บานนี่สวยงามแค่ไหนก็อยู่ได้ไม่เกินสี่ห้าวันแล้วก็ร่วงพื้นนี่เกลื่อนไปด้วยดอกสากุระนะทั้งขาวทั้งชมพูคนญี่ปุ่นเขาก็อาศัยสักุระเป็นเครื่องเตือนใจนะถึงความไม่เที่ยของชีวิตโดยเพราะความตายในขณะที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพาะสักุรันี่ เขาบานได้ไม่กี่วันเขาก็ร่วงเป็นเหมือนกับคนหรืคนสาวที่อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็เป็นการเตือนใจไม่ให้ประมาท ก, กับชีวิตนะอย่างนี้ก็เรียกว่าตะไรยะน้ำมิดได้เหมือนกันนะเวลาท้อถอยเห็นพึ่งก็ดีเห็นมดก็ดีแล้วมันพยายามภาคเพียน ทำงานไม่หยุดหย่อนก็ทำให้เกิดกำลังใจนะเหมือนกับข้ากำลังจะบอกว่าอย่าท้อถอยในศาสนาพุธการนี่มีพระบางรูปท่านท้อแท้ในการปฏิบัติเรียกว่าคลายความเพียรแต่พอเห็นช้างนี่มันตกล่แล้วมันก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายตะกุยขึ้นมาแม้จะไม่สำเร็จมันก็ยังไม่ยอมท้อถอย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 คำตําหนิเนี่ยแหล ะ, ะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยซึ่งเฉยชื่อไปแล้วนะคุณเล็กวิริยพันยังเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลไอ้คนที่ตําหนิก็อาจจะมุ่งร้ายนะแต่ว่าคนฟังเนี่ยอย่างคุณเล็กเนี่ยพอฟังเป็นเนี่ยคิดเป็นเนี่ยก็คําตําหนิก็หรือคําต่อว่าก็กลายเป็นคําเตือนหรือคําชี้แนะได้ ชี้ช่องว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของไตรยนมิตรนะหน้าที่ไกรยานมิตรนอกจากการชี้ทางออกแล้วก็ยังตักเตือนนะเพื่อนำไปสู่นะความถูกต้องเพราะฉะนั้นะถ้าเราคิดเป็นเนี่ยมีโนิสมรรคสิการเนี่ยแม้เจอเหตุร้ายนะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย มันก็เป็นเปนก็เปรียบเหมือ น, เ ป, นเป็นเครื่องเตือนใจได้นะเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องสอนใจนะเวลาเจ็บป่วยเออเขาก็กลังสอนนะว่าอย่าประมาทนะสังขารร่างกายเขากำลังสอนเราว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงวันนี้ป่วยวันหน้าก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยปล่าประโยชน์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 แลพะพอรู้จักคิดอย่างนี้แล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกว่าโอ้เราโชคร้ายจะรู้สึกว่าเราโชคดีเสมอเพราะว่ามีสิ่งคอยตักเตือนมีเหตุการณ์ต่างๆคอยชีแ้แนะนะไม่ให้เราพลั้งพลาดเตือนให้เราไปในทางที่ถูกเตือนให้เราไม่ประมาท ร, รู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่า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 อยู่ในธนาคารยังทำธุรเรมไม่เสร็จก็อกว่ามีโจรเนี่ยมาปล้นธนาคารแล้วก็ตำรวจเนี่ยหรือว่ายามเฝ้าธนาคารก็ยิงต่อสู้กันบอกกว่าผู้ที่โสมุดบาทนะไปไปฝากเงินเนี่ยโดนลูกหลงถูกลูกปืนเข้าที่แขนทีนี้ผู้ทดลองก็อยาถาม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 อ่ะสิ่งที่ดีๆถ้าเรามองลบนะเราคิดไม่เป็นมองไม่เป็นเราก็จะเห็นแต่สิ่งหลายๆแล้ควคนบางคนเนี่ยแม้จะยากจนนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่นะําใจนะก็เจ้ะสูญเขาโชคดีก็ได้ว่าโอ้เขามีแม่เขามีพ่อที่อ่าน่ารักอบอุ่นนะดูแลเขานะี่ยถ้าที่คนที่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 จนสามารถจะบริจาคเงินให้กับสถานาสงเคราะห์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยถึงสิบล้านดอลลาร์นะิบล้านดอลลาร์นี่ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบล้านบาททั้งที่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเป็นแม่ค้าขายผักทำงานหนักด้วยนะตื่นตีสองทำงานจนถึง6กโมงเย็นนะวันละหกสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมง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 กินเหล้าหรือว่ามั่วเซ็กซ์ซำซอนหรือว่าไปเป็นโจรไปเป็นอันธพาลคนแบบนี้เนี่ยมีเยอะนะชีวิตภูมิหลังเขาเนี่ยมีเป็นเพราะว่ามันยากจนลำบากครอบครัวขาดควาอุดไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พิมคนนี้เขาเจอชิตบัตซบเนี่ยมันกลับทำให้เขาเนี่ยชิตเจริญงอกงามมากขึ้นจิตใจก็ งดงามเป็นเพราะรู้จักคิดนะไอ้ความยากลาบากก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้มีความเข้มแข็งแล้วขณะเดียวกันก็มีความเมตตากรุณาเพราะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนยากจนจนโรงพยาบาลแทนที่จะเกลียดนะแทนที่จะเกลียดโรงพยาบาลเพราะทำให้เพราะทำให้แม่ตายไม่รักษาแม่เพราะว่าไม่ยอมเพราะแม่ไม่มีเงิน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 รู้สึกแย่กับช่วงที่ผ่านมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่ว่าเรารู้จักหามิตรนะบางทีความยากลาบากนี่ก็คือมิตรนะเป็นกาลยนานมิตรนะที่ช่วยทำให้เรานะพัฒนาตนแล้วก็มีความขนขวามมีความเพียรผู้ใหา่ก็คือว่าถ้าเรารู้จักคิดรู้จักมองเนี่ยนะไม่ขาดนักกลยามิตร น, นะไม่มีคำว่าขาด